เรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตวัฒการบทที่7กรมมือหมื่นเทพพิพิธในบรรดาพระโอรสของสมเด็จพระบรมโกศหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในบรรดาเจ้านายราชวงศ์บ้านพลูหลวงกรมมือหมื่นเทพพิพิธพระโอรสชั้นพระองค์เจ้าองค์ที่หนึ่งของสมเด็จพระบรมโกศเป็นเจ้านายที่มีบทบาทสําคัญองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนนี้ เป็นเจ้านายที่มีเล่ห์เหลี่ยมกะโลบายมากไม่เคยซื่อสัสตย์ต่อใครมุ่งหาแต่ความยิ่งใหญ่ส่วนตัวตลอดมาหากหลังได้จนกระทั่งคนที่จงรักพักดีและยอมตายเพื่อตัวฉะนั้นเรื่องของกรมหมื่นเทพพิพิธจึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเรื่องหนึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธไม่ใช่โอรสชั้นเจ้าฟ้าแต่เป็นพระโอรสชั้นพระองค์เจ้ามีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าแขก โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าจึงไม่มีหวังในราชสมบัติแต่ก็พยายามที่จะมีบทบาทอันสำคัญในทางการบ้านการเมืองซึ่งถ้าเรียกตามภาษาสามัญก็เรียกได้ว่ายุ่งแต่บุคคลที่รู้ความจริงในเจตนาของกรมมือหมื่นเทพพิพิธย่อมทราบว่าความยุ่งของกรมมือหมื่นเทพพิพิธนั้นมีเหตุผลอย่างเดียวคือการหวังผลประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์เองสมเด็จพระอุทุมพร เป็นผู้หนึ่งที่ทรงทราบนิสัยและเจตนาของกรมมือเทพพิพิธ ด, ดังจะกล่าวต่อไปเราได้เห็นมาแล้วว่าในบรรดาพระโอรสของสมเด็จพระบรมโกศนั้นที่มีหวังในราชสมบัติก็เฉพาะชั้นเจ้าฟ้าสามองค์คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือกรมมคุณเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้าเอกทัศหรือสมเด็จพระสุริยาอาอมรินและเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระอุทุมพร ส่วนกรมมหมื่นเทพพิพิธนั้นไม่มีหวังอย่างใดที่จะได้ขึ้นครองแผ่นดินแต่ก็ชอบเข้ายุ่งกับปัญหาเรื่องสืบราชสมบัติอยู่เรื่อยมาในชั้นต้นกรมมหมื่นเทพพิพิธทำตัวสนิทสนมกับเจ้าฟ้าธรรมอธิเบศคือกรมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งด้รับแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรและเป็นรัชทายาทคือองค์ที่เป็นโรคสำหรับบุรุษและเป็นคุทรราช ในเวลาที่สนิทสนมกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบตนี้ก็สอเสียดยุยงให้พี่น้องแตกกันหมดครั้นเมื่อเจ้าฟ้าธรรมธิเบตถูกหาว่าเป็นชู้กับพระชายาของพระชนกถูกเคี่ยนและถูกเหล็กแดงนาบจนตายกรมมืหมื่นเทพพิพิธก็เป็นเจ้ากิจเจ้าการชักชวนข้าราชการทำดีกาทูลกล้าถวายสมเด็จพระบรมโกศให้ตั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นอุปราชข้ามหน้าสมเด็จพระสุริยาอาอมรินไป ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระอุทุมพรต้องถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระสุริยาอาอมรินแล้วกรมหมื่นเทพพิพิธก็ร้อนตัวกลัวจะต้องอาญาจึงกราบถวายบังคมลาออกทรงผนวดอยู่ที่วัดกระโจมในระหว่างที่บวชเป็นพระก็คิด ก, กันกับเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชและพระยาเพชรบุรีที่จะโปร่งพระชนหรือปลดสมเด็จพระสุริยาอาอมรินออกจากราชสมบัติ แล้วจะยกสมเด็จพระอุทุมพรกลับขึ้นคลองราดใหม่ได้ทรงนำความเรื่องนี้ไปทูลแด่สมเด็จพระอุทุมพรซึ่งกำลังทรงผนวดอยู่เหมือนกันสมเด็จพระอุทุมพรไม่ยอมรับที่จะกลับไปคลองราชสมบัติแล้วก็นำความอันนี้ไปทูลให้สมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์ทรงทราบ พ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้กล่าวความตอนนี้ไว้ว่าฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวด หมายถึงสมเด็จพระอุทุมพรจึงทรงพระดำริว่าคนเหล่านี้คิดกบฏจะทำการใหญ่ถ้าเขาทำการสำเร็จจับพระเชษฐาได้แล้วเขาจะมาจับเราเสียด้วยจะยกกลมมือหมื่นเทพพิพิธขึ้นครองราชสมบัติเราสองคนพี่น้องก็จะพากันตายจะนิ่งไว้มิได้จำจะไปทูลพระเจ้าพี่ให้รู้พระองค์จึงจะชอบครันรุ่งเช้าจึงเสด็จเข้ามาในพระราชวัง เข้าเฝ้าพระเชษฐาทิราชถวายพระพรแถลงรหัสเหตุนั้นให้ทราบสิ้นทุกประการแล้วถวายพระพรว่าอาตมาภาพเป็นสมณนะจะเกี่ยวข้องสิกขาบทจะรับพระราชทานแต่ชีวิตคนเหล่านั้นอย่าให้ถึงตายแล้วถวายพระ พ, พรลากลับไปพระอารามพอสมเด็จพระอุทุมพรสเสด็จกลับวัดสมเด็จพระสุริยาอาอมรินก็สั่งให้จับคนพวกที่คิดการนี้ ได้ตัวเจ้าพระยาอภัยราชาพญายมราช・รพญาเพชรบุรีเอามาลงพระราชาอาญาเคียนแล้วให้จำคุกไว้ส่วนกรมมหมื่นเทพพิพิธเมื่อทรงทราบว่าพวกนี้ถูกจับก็หนีจากวัดกระโจมไปอยู่วัดพนันเชิงพวกเจ้ากรมประหลัดกรมและข้าในกรมของพระองค์เองมาตั้งค่ายล้อมวัดป้องกันรักษาพวกตำรวจวังที่ได้รับคาสั่งให้ไปจับก็ไม่กล้าเข้าไป สมเด็จพระสุริยาาอมรินทร์ก็ไม่กล้าทําการหักโหมจึงทรงส่งข้าหลวงคนหนึ่งเข้าไปทูลแด่กรมือหมื่นเทพพิพิธว่าสมเด็จพระสุริยาาอมรินทร์เองทรงทราบอยู่ว่ากรมหมื่นเทพพิพิธนั้นเป็นคนซื่อสัตย์เหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เพราะเจ้ากรมปรหลัดกรมคิดอ่านกันเองขอให้ทรงส่งตัวเจ้ากรมปรหลัดกรมไปรับอาญาเสดยจดีแล้วจะทรงพระกรุณาไม่เอาโทษแก่กรมืหมื่นเทพพิพิธ กรมมืหมื่นเทพพิพิธตกลงทรงยินยอมให้ข้าหลวงที่นำความไปทุนนั้นเอาตัวเจ้ากรมประหลัดกรมไปได้แต่ทั้งเจ้ากรมประหลัดกรมรู้ตัวทันท่วงทีพากันหนีได้ประหลัดกรมหนีไปผูกคอตายส่วนเจ้ากรมหนีสูญหายหาตัวไม่พบพวกข้าในกรมที่อุตส่าห์ไปช่วยล้อมวงให้ก็หนีกรจัดพลัดพรายไปกรมืหมื่นเทพพิพิธทรงรู้สึกพระองค์ขึ้นมา ว่าการที่หักหลังเจ้ากลมประหลัดกรมของพระองค์เองนั้นทําให้พวกที่จงรักภักดีพากันหนีไปหมดจึงต้องทรงหนีบ้างสมเด็จพระสุรยิยอาอมรินได้ทรงส่งคนไปติดตามจับและจับได้ในป่าที่พระแท่นดงรังคุ้มเอาตัวมาถวายสมเด็จพระสุรยิยอาอมรินรับสั่งให้ศึกเสียและเอาตัวขังไว้ภายหลังเมื่อมีกำปันเข้ามาจากลังกา สมเด็จพระสุรยิยอาอมรินทร์ก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในรัเทศกรมมื่นเทพพิพิธไปไว้เกาะลังกาในระหว่างอยู่เกาะลังกากรมมื่นเทพพิพิธก็แสดงพระองค์เป็นพระพาติก ร, ราชหมายถึงน้องชายของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงพระศรัทธาอุตสาหะออกมาชมพระพุทธศาสนาถึงลังกาทวีปไม่มีใครรู้ว่าถูกในรัเทศออกมา จึงมีชาวลังกานิยมยินดีพอมีคนนิยมเข้าก็ยุให้ชาวลังกาคิดการกรบฏเพื่อถอดพระเจ้ากรุงลังกาออกจากราชสมบัติแล้วตั้งตัวเองขึ้นครองลังกาพวกที่ถูกยุนั้นกลับไปทูลความอันนี้แก่พระเจ้ากรุงลังกาพระเจ้ากรุงลังกาจึงในประเทศกรมหมื่นเทพพิพิธออกจากกรุงลังกาอีกโดยส่งลงเรือกำปัน่นมาขึ้นที่เมืองมาริดกรมการเมืองมาริทบอกเข้ามาสมเด็จพระสุรยิยอาอมริน มีพระบรมราชะองค์การให้เอามาไว้ที่ตะนาวสีแล้วก็ทรงส่งข้าหลวงออกไปอยู่กํากับครั้นเมื่อพมา่ามาตีทวายมฤตและตะนาวสีกรมมหมื่นเทพพิพิธได้หนีจากที่นั่นพร้อมกับหุยตองจาเจ้าเมืองทวายหนีเข้ามาถึงเพชรบุรีสมเด็จพระสุริยาอาอมรินรับสั่งให้เอาตัวกรมหมื่นเทพพิพิธไปคุมไว้ที่เมืองจันทบุรีแล้วให้เอาตัวหุยตองจาไปคุมไว้ที่เมืองชนบุรี ในระหว่างประทับอยู่ที่จันทบุรีพรม่าเข้ามาร้อมกรุงกรมมื่นเทพพิพิธได้เลียกล่อมผู้คนบอกว่าจะเข้ามาช่วยกรุงศรีอยุธยามีคนมาเข้าด้วยมากนอกจากชาวจันทบุรีแล้วเมื่อเดินทางเข้ามาก็ได้คนจากหัวเมืองที่ผ่านมาเป็นระยะ ะ, ยะคือเมืองระยองเมืองบางละมุงเมืองชนบุรีเมืองฉะเชิงเซาเมืองปราจีนบุรีตลอดถึงนครนายก บุคคลเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยเลือดรักชาติรักบ้านเมืองอย่างแรงกล้ามีความปรารถนาที่จะเสียสละเพื่อช่วยกู้บ้านเมืองเมื่อปรากฏว่ามีเจ้านายมาเป็นผู้นำในการกู้ประเทศชาติทุกคนก็ยินดีเข้าด้วยกรมมือนเทพพิพิธจึงได้คนเป็นกําลังมากหลายพระราชพงศาวดารใช้ถ้อยคาว่าเรื่องลือกันไปว่าเจ้าจะเสด็จยกเข้ามารบพบมาช่วยกรุงเทพมหานคร จึงพากันมาเป็นพวกๆมาเข้าด้วยเป็นหลายพันทูลรับอาสาจะรบพรมา่าพฤติการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำใจของพลเมืองนั้นพร้อมที่จะต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูถ้าหากว่ามีเจ้านายดีในสมัยนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยพมา่าจะถูกขับไล่กลับออกไปและกรุงศรีอยุธยาจะไม่เสียแกพ่พม่ากรมืหมืนเทพพิพิธ พาคนจํานวนหมื่นมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีหลวงจบไกลแดนกับนิ่มนวลอยู่ที่ปราจีนเมื่อได้ข่าวว่ากรมหมื่นเทพพิพิธรวมกําลังมาช่วยกรุงศรีอยุธยาหลวงจบไกลแดนก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่นิ่มนวลไม่ไว้ใจใครตามเคยเนื่องจากนิ่มนวลเคยเป็นชาววังรู้จักลักษณะนิสัยของเจ้านายทุกๆองค์ดีนิ่มนวลกล่าวแก่สามีว่า ลงท้ายก็แบบเดียวกันหลวงจบไกลแดนถามว่าแบบไหนนิ่มนวลตอบว่าแบบหลอกให้พวกเราไปตายแล้วตัวเองหนีหลวงจบไกลแดนพูดว่าคราวนี้เห็นจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะกรมหมื่นเทพพิพิธอยู่สบายที่ลังกาแล้วอุตส่าห์เสด็จเข้ามาและได้ผู้คนมามากคงจะทำงานอย่างจริงจังนิ่มนวลไม่คัดค้านว่ากไร และเต็มใจให้สามีเข้าทำการรบในกองทัพของกรมมื่นเทพพิพิธเพราะถึงแม้กรมมื่นเทพพิพิธจะเป็นอย่างไรก็ตามทีสามีก็ควรจะได้ทำหน้าที่ช่วยบ้านเมืองหลวงจบไกลแดนจึงเข้ามาอยู่ในหมู่พวกชาวปราจีนที่อาสาเข้าในกองทัพของกรมมื่นเทพพิพิธกรมมื่นเทพพิพิธได้ตั้งให้หมื่นเกหมื่นสีนาวากรมการเมืองปลาจีนกับนายทองอยู่น้อยชาวเมืองชนบุรี ซึ่งเป็นคนสำคัญมีคนนับหน้าถือตามากคุมพลสองพันเป็นกองหน้ายกมาตั้งที่ปากน้ำโยธากาหลวงจบไกลแดนกับหมื่นสีนาวาเป็นคนรู้จักกันหลวงจบไกลแดนจึงสมัครเข้ามาในกองของหมื่นสีนาวาในฐานะเป็นไพรพลคนหนึ่งและไม่ยอมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าหมวดหมู่อะไรเลยการที่สั่งให้กองหน้าเข้ามาตั้งมั่นที่ปากน้าโยธากานี้เอง ที่ทำความแปลกใจให้แก่พวกนายทัพนายกองหมื่นสีนาวาพูดกับหลวงจบไกลแดนว่าทำไมจึงให้เรามาตั้งอยู่ที่นี่หลวงจบไกลแดนตอบว่าผมก็ไม่เข้าใจหมื่นสีนาวาพูดว่าทำไมไม่ให้เรายกเข้าไปกรุงศรีอยุธยาหลวงจบไกลแดนให้ความเห็นว่าอาจจะทรงเห็นว่ากำลังยังไม่พร้อมกระมังหมื่นสีนาวาพูดว่าเรามีกาลังจานวนหมืน่น ถ้าเรายกตรงเข้ากรุงศรีอยุธยาตีพมา่าทางด้านหลังส่วนกำลังข้างในกรุงตีออกมาพมา่าถูกบีบอยู่กลางจะต้องแหลกละลายไปหลวงจบไกรแดนพูดว่าผมก็ยังไม่เข้าใจยุทธวิธีของพระองค์ท่านนะักหมื่นศีนาวาตอบว่าคุณหลวงเห็นอย่างผมหรือไม่ในฐานะที่คุณหลวงเคยเป็นทหารเคยทำการรบมาแล้วหลวงจบไกลแดนตอบว่าผมเห็นอย่างท่านหมื่นว่า กองทัพที่กำลังล้อมเมืองอยู่ถ้าถูกกองทัพอื่นมาตีข้างหลังและกองทัพในเมืองออกมาตีข้างหน้าจะไม่สามารถทนอยู่ได้เลยเกือบทุกครั้งในพงศวดานกองทัพที่ไปล้อมเมืองใดเมืองหนึ่งนั้นถ้ารู้ว่ามีกองทัพใหญ่มาช่วยจากที่อื่นต้องรีบถอยทันทีเพราะถ้าขืนอยู่ก็แหลกมืนศีนาวาได้ฟังก็ถามอีกว่าแล้วทาไมเราไม่ยกเข้ากรุงศรีอยุธยาหลวงจบไกลแดนตอบว่า ผมก็ไม่ทราบพระองค์ท่านอาจจะมีกลยุทธ์อะไรดีกว่าที่พวกเราคิดกระวังและความจริงก็เป็นอย่างที่หมื่นสีนาวาวา่าถ้ากําลังคนจํานวนหมื่นที่กรมืหมืน่นเทพพิพิธมีอยู่นั้นยกทุ่มเทกันเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาพม่าจะปั่นป่วนมากแต่นี่ให้ตั้งอยู่ที่ปากน้ําโยธกาเฉยๆพวกนายทัพนายกองจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่าแผนการของกรมืหมืน่นเทพพิพิธเห็นจะไม่ใช่ช่วยกรุงศรีอยุธยาเสียแล้ว คงจะมีแผนการที่ไปทางอื่นอยู่แล้วให้กองหน้าที่ปากน้ำโยธากานั้นเป็นกองต้านทานเพื่อจะมีการโจมตีหรือติดตามวันแล้ววันเล่าพวกกองหน้าที่ปากน้ำโยธากาคอยฟังคำสั่งก็ไม่มีคำสั่งให้เคลื่อนไปทางไหนในทองอยู่น้อยพูดกับเก้าและหมื่นศีนาวาต่อหน้าหลวงจบไกลแดนว่าเราขืนอยู่ที่นี่ไปนานๆพม่าอาจจะรู้ และส่งกองทัพมาตีเราที่นี่เหมือนก้าพูดตอบว่าทางชนะของเรามีอยู่ทางเดียวคือจู่โจมเข้าไปกรุงศรีอยุธยาทั้งกองทัพใหญ่ถ้าขืนอยู่อย่างนี้เราแหลกแน่และก็เป็นจริงดังที่เขาคาดหมายกันเพราะเมื่อมาอยู่นานตั้งเดือนพม่าก็รู้มั่งมหาเนรธาแม่ทัพฝ่ายใต้ของพมา่าได้ให้เมฆระโบกับแนกวนจอโบคุมกองทัพพมา่าจํานวนสามพัน ยกกองไปถึงปากน้ำโยธากาและการต่อสู้อย่างร้ายแรงก็ได้มีขึ้นกองทัพไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ปากน้ำโยธากานั้นเรียกได้ว่าเป็นกองทัพผสมคือมีพลผสมทั้งชาวเมืองจันทบุรีระยองบางละมุงชนบุรีฉะเชิงเราปราจีนและนครนายกทุกคนได้ทำการรบอย่างกล้าหาญแม้จะทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าถูกพม่ามาโจมตีที่นี่ จะได้รับความลำบากมากเขาก็ยังสู้อย่างไม่คิดชีวิตความหวังอีกประการหนึ่งในชัยชนะก็คือว่ากองทัพที่ปากน้ำโยธากามีจำนวนเพียงสองพันก็จริงแต่กองทัพส่วนใหญ่ซึ่งมีพลจำนวนหมืน่นอยู่กับกรมหมื่นเทพพิพิธ ท, ที่ปราจีนคงจะลงมาช่วยเขาพยายามต่อสู้อย่างทลหดโดยความหวังความช่วยเหลือของกองทัพใหญ่แต่คอยแล้วคอยเล่ากองทัพใหญ่ก็ไม่มาช่วย เมื่อไม่มาช่วยเขาก็รบไปโดยลําพังเขาไม่ยอมถอยหนีหมื่นเก้าและหมื่นสีนาวาตายในที่รบปราจีนบุรีได้ฝากชื่อเสียงอันดีไว้ในประวัติศาสตร์ที่นายทัพชาวปราจีนทั้งสองคนรบจนตายอยู่ในสมรภูมิเมื่อล้มตายก่กองลงไปมากหลายแล้วกองทัพหลวงก็ไม่มาช่วยพวกที่เหลืออยู่เป็นจํานวนน้อยก็หมดมานะที่จะต่อสู้ และแลเห็นชัดว่ากองทหารที่ถูกส่งมาที่ปากน้ำโยธากานี้ถูกหลอกให้มาตายทหารที่เหลืออยู่จึงได้แยกย้ายกระจัดกระจายกันไปในท้องอยู่น้อยกับหลวงจบไกรแดนยังรอดชีวิตอยู่ได้เขาพากันเดินทางกลับปราจีนบุรีเมื่อกลับมาถึงปราจีนบุรีจึงเข้าใจความจริงโดยตลอดว่ากรมมหมื่นเทพพิพิธไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปช่วยกรุงศรีอยุธยา กรมมือหมื่นเทพพิพิธได้หลอกพวกเขาในเวลาที่ส่งพวกเขาลงไปอยู่ที่ปากน้ำโยธากานั้นกรมมือหมื่นเทพพิพิธได้ส่งคนสนิทของตัวเข้าไปในกรุงรับลูกเมียของตัวออกมาเพื่อจะไปตั้งตัวเป็นใหญ่ทางอื่นถ้าคนทั้งหลายรู้ว่ากรมมือหมื่นเทพพิพิธรวบรวมกำลังคนเพื่อไปตั้งตัวเป็นใหญ่ทางอื่นชาวจันทบุรีระยองบางลมุงชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนและนคร น, นายกก็คงจะไม่เข้าด้วย เขาพากันมาเข้าด้วยก็เพราะเชื่อใจว่าจะได้เข้าไปช่วยกรุงศรีอยุธยาเป็นอันว่าคนจำนวนหมื่นได้ถูกกรมมือหมื่นเทพพิพิธหลอกลวงให้มาตายสําหรับตัวเองจะได้มีเวลารับลูกเมียออกมาจากกรุงแล้วไปตั้งตัวเป็นใหญ่ในทางอื่นการกระทาของกรมมือหมื่นเทพพิพิธเป็นการกรบฏโดยตรงแต่จะประหลาดอะไรกรมมือหมื่นเทพพิพิธก็เป็นเชื้อสายของอ้กบฏสองคนพ่อลูก ตามคำของสมเด็จพระนารายมหาราชเรื่องที่ไม่มีใครนึกฝันก็คือในการที่ลูกเมียของกรมบุนเทพพิพิธหนีออกไปจากกรุงได้นั้นมีบุคคลอีกคนหนึ่งหนีตามออกไปด้วยบุคคลผู้นั้นคือพระยารัตนาทิเบตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหนีมาทุกๆครั้งและการหนีของพระยารัตนาทิเบตครั้งนี้นับเป็นครั้งที่หในทองอยู่น้อยและหลวงจบไกลแดนมาถึงปราจีน ในขณะที่กรมมหมื่นเทพพิพิธกำลังเตรียมหนีต่อไปและสั่งให้กองทหารจำนวนหมื่นที่มีอยู่นั้นติดตามไปด้วยแต่นายทองอยู่น้อยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเป็นนักเลงโตคนหนึ่งในชนบุรีและมีคนรู้จักแพร่หลายออกไปในบางละมุงระยองและจันทบุรีนายทองอยู่ได้ชี้แจงกับทหารทั้งหลายว่าเราถูกกรมมหมื่นเทพพิพิธหลอกให้มาตายเพื่อประโยชน์ของกรมหมื่นเทพพิพิธเอง คนกว่าพันได้เสียชีวิตไปที่ปากน้ำโยธากาด้วยการหลอกลวงของกรมมือหมื่นเทพพิพิธว่าจะไปช่วยกรุงศรีอายุทยาบัดนี้คนจำนวนหมื่นจะถูกหลอกให้ตามไปเพื่อเป็นเครื่องมือที่กรมมือหมื่นเทพพิพิธจะไปตั้งตัวเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในทางอื่นในทองอยู่น้อยพูดในท่ามกลางทหารที่เขารู้จักดีว่ากรุงศรีอยุทยายังไม่แตกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงศรีอยุธยายังมีอยู่ ถ้าใครจะไปตั้งตัวเป็นเจ้าเป็นใหญ่ขึ้นในที่อื่นคนนั้นก็เป็นกระบทถ้าพวกเราตามไปพวกเราก็เป็นกระบทด้วยกลับบ้านดีกว่าอย่าตามไปเลยหลวงจบไกลแดนช่วยพูดต่อไปว่ากรุงศรีอยุธยาเราไม่สิ้นคนดีพวกท่านทั้งหลายเลือดปราจีนบุรีเลือดฉะเชิงเซาเลือดนคร น, นายกเลือดชนบุรีเลือดบางละมุงเลือดระยองเลือดจันทบุรีพวกเราเลือดดีๆทั้งนั้น ฉันได้เห็นฝีมือมาแล้วในการรบที่ปากน้ําโยธากาและฉันเชื่อจริงๆว่าถึงแม้กรุงศรีอยุธยาจะเสียแกพมา่าในครั้งนี้ก็จะมีคนดีขึ้นมากู้บ้านกู้เมืองและจะต้องอาศัยกำลังของท่านฉันเชื่อว่าต่อไปภายหน้าถ้าจะมีใครคิดกู้บ้านกู้เมืองคงจะต้องมารวมกำลังทางเมืองของเราเหล่านี้เราสงวนกาลังของเราไว้เอาไว้ช่วยคนที่กู้บ้านเมืองจริงๆ ไม่ใช่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวอยากตั้งตัวเองเป็นใหญ่แล้วหลอกให้พวกเรามาตายในท้องอยู่น้อยกล่าวเสริมว่าจริงอย่างที่หลวงจบไกลแดนว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีถ้าจะมีคนดีขึ้นมากู้กรุงศรีอยุธยาก็จะต้องมาหากําลังทางพวกเราเพราะในทางอื่นๆนั้นบ้านเมืองย่อยยับผู้คนแตกฉานสั้นเซ็นไปเสียมากแล้วเราได้ทาการกู้บ้านกู้เมืองในภายหน้า เวลานี้กลับบ้านซะก่อนคนส่วนมากที่สุดเชื่อคำของนายทองอยู่น้อยและหลงจบไกลแดนแล้วก็พูดกันต่อต่อไปกองทัพที่กรมหมื่นเทพพิพิธหลอกออกมาก็กระจายแยกย้ายกันไปพากันกลับบ้านเมืองของตัวเองนอกจากกองที่อยู่ใกล้ชิดกับกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธ ย, ยังล่อลวงเอาไว้ได้แต่ก็เหลืออยู่เป็นจานวนเล็กน้อยชาวเมืองทั้งหลายที่ถูกหลอกมา ได้พากันขมขืนคุมแค้นแต่เขาก็พากันหวังอย่างที่นายทองอยู่น้อยและหลวงจบไกลแดนพูดว่าเขาจะได้มีโอกาสกู้กรุงศรีอยุธยาในภายหลังส่วนกรมมือนเทพพิพิธได้ออกเดินทางกับครอบครัวพระยารัตนทิเบตและพวกที่หลงเชื่อติดตามไปบ้างได้พากันเดินทางไปทางช่องเรือแตกขึ้นไปเมืองนครราชสีมาคราวนี้วาระสุดท้ายของพระยารัตนธิเบตก็มาถึง พอเดินทางไปถึงด่านโคกพญาพญารัตนทิเบตก็ป่วยถึงแก่กรรมกรมมือหมื่นเทพพิพิธได้จัดการโปรงศพให้ที่ด่านโคกพญานี้เองนี้คือการกระทําของกรมเมือหมื่นเทพพิพิธสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาดารงราชานุภาพได้ทรงนิพนไว้ในพงศาวดารเรื่องไทยรพม่าในตอนนี้ว่ากรมมือหมื่นเทพพิพิธ จึงให้หมื่นเก้าหมื่นศีนาวากรมการเมืองปราจีนกับนายทองอยู่น้อยชาวเมืองชนบุรีซึ่งเป็นนายซ่องคุมพลสองพันเป็นกองหน้ายกมาตั้งค่ายอยู่ที่ปากน้ำโยธกาแล้วให้คนสนิทเข้ามารับหม่อมห้ามและหม่อมเจ้าในกรมออกไปจากกรุงครั้นทราบว่าพามา่ายกไปทั้งกองทัพ บ, บกทัพเรือก็ไม่คิดจะต่อสู้พาแต่ครอบครัวอพยพหนีไปเมืองนครราชสีมาทางช่องเรือแตก ครั้นพวกชาวหัวเมืองซึ่งอาสามาด้วยเห็นผู้ที่เป็นหัวหน้าหนีเอาตัวรอดไปเสียแล้วต่างก็พากันแยกย้ายกลับไปบ้านเมืองของตนสมควรจะกล่าวต่อไปเสียทีเดียวว่าเมื่อถึงนครราชสีมาแล้วกรมมื่นเทพพิพิธให้คนไปนเกลี้ยกล่อมพระยานครราชสีมาขอให้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาเมืองนครราชสีมาเป็นราชธานีใหม่คราวนี้การเกลี้ยกล่อมของกรมมื่นเทพพิพิธไม่เป็นผล พระยานครราชสีมาตอบว่าถ้ากร ม, มือหมื่นเทพพิพิธขืนมีความคิดอย่างนี้ก็จะจับตัวส่งเข้ามากรุงเพราะกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียและพระเจ้าอยู่หัวในกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีการที่จะมาตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นใหม่ก็เป็นกระบฏแต่กร ม, มือหมื่นเทพพิพิธเชี่ยวชาญในทางเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าพระยานครราชสีมาได้ส่งคนไปลอบฆ่าพระยานครราชสีมาเสีย แล้วขึ้นนั่งเมืองคลองนครราชสีมาอย่างเดียว ก, กันกับที่เจ้าฟ้าจีดนั่งเมืองคลองพิษนุโลกแต่นั่งอยู่ได้น้อยกว่าเจ้าฟ้าจีดคืออยู่ได้เพียง 4-5 หวันหลวงแพง่งน้องชายพระยานาครราชสีมารวบรวมกำลังผู้คนเข้ามาจับกรมมือหมื่นเทพพิพิธได้ทั้งลูกเมียและข่าคนของกรมมือหมื่นเทพพิพิธหลวงแพง่งให้ฆ่าหม่อมเจ้าลูกกร ม, มือหมื่นเทพพิพิธเสียสามองค์ ส่วนตัวกรมมื่นเทพพิพิธเองนั้นพระพิมายเจ้าเมืองพิมายมาร้องขอไว้เพราะสงสารว่าเป็นลูกสมเด็จพระบรม โ, มโกศซึ่งพวกนี้เคยรับราชการในราชการสมเด็จพระบรมโกศมาทั้งนั้นหลวงแพ่งจึงยอมให้พระพิมายเอาตัวกรมมื่นเทพพิพิธไปไว้เมืองพิมายภายหลังที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วกรมมื่นเทพพิพิธก็ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าพิมาย เป็นกกหนึ่งในบรรดากกทั้งหลายที่ตั้งขึ้นภายหลังการเสียกรุงเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงขับไล่พมา่าออกไปได้รวบรวมอาณาจักรไทยกลับเป็นอิสระขึ้นแล้วก็ส่งกองทัพไปปราบกรมมือหมื่นเทพพิพิธกร ม, มือหมื่นเทพพิพิธก็ทำอย่างที่เคยทำคือหลอกให้คนอื่นรบแล้วตัวเองก็หนีหนีไปนในทางที่จะขึ้นไปกรุงศรีสัตนาคณะหุตแต่ถูกขุนชนะ ชาวเมืองนครราชสีมาติดตามไปจับตัวมาได้นำมาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีมีรับสั่งตามที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าตัวเจ้าหาบุญวสาสามิได้ไปอยู่ที่ใดก็พาพวกผู้คนที่นับถือพลอยพี่นาชิบหายที่นั่นครั้นจะเลี้ยงเจ้าไว้ก็จะพาคนที่หลงเชื่อถือบุญพลอยล้มตายเสียด้วยอีก เจ้าอย่าอยู่เลยจงตายเสียครั้งนี้ทีเดียวเถิดอย่าให้เกิดจจลาจนในแผ่นดินสืบไปข้างหน้าอีกเลยแล้วดำรัสสั่งให้เอาตัวกรมมือหมื่นเทพพิพิธไปประหารเสียส่วนขุนชนะชาวเมืองนครราชสีมาที่ไปติดตามจับตัวกรมมืหมื่นเทพพิพิธมาได้นั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเป็นพระยากำแหงสงครามครองเมืองนครราชสีมากรมือหมื่นเทพพิพิธ เป็นตัวอย่างแห่งเลือดวงบ้านพลูหลวงอย่างเดียวกับเจ้าฟ้าจีดและมีลักษณะเพียบพร้อมตามแบบวงบ้านพลูหลวงทุกอย่างคือความมุ่งมา่ปรารถนามีอยู่ข้อเดียวขอให้ได้นั่งเมืองขอให้ได้ครองเมืองหลอกให้คนไปตายแทนตัวเพื่อตัวจะได้นั่งเมืองครองเมืองแล้วก็ไม่ยอมสู้รบกับใครพอใครเอาจริงเข้าก็ไม่สู้